أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا للظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم الح لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بد ع ر ض ا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ا ل ه إله الأولين والآخرين وأشهد أن ا ل ر ن ا محمدًا عبدُه و ر س و ل ه أ ر س ل الله رحمةً للعالمين أما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد ق ل أ ت على ا في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ف ج ر و ا ل ل ي العشر ا ل ش ف ي والوجه والليل إذاس ي هل في ذلك قسم لذيه ألم تركي ففعل ربك بعاد إرمادات الأيماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و َ ت َ ا م ُ و د الَّذِينَ تَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِي الْأَوْنَثِ ا ل ْ أ َ و ْ ت َ ا د الَّذِينَ ت َ ق َ و ف ا فِي ا ل ْ ب ِ ل ا د ِ ف َ أ خ ْ ت َ ر ُ و ا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَعَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَا بِالْمِرْصَادِ ف َ أ َ م َ ا ل إ ِ ن س َ ا ن إِذَا مَا بَتَلاهُ رَبُّهُ فَأَقْرَمَهُ وَنَعَمَّ فَيَكُوْرَ رَبِّ أ َ ق ْ ر َ أ ه ا و คือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคื่คือคือคือคือคอคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคืคือคือคือคือคือคออคอคค ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับผมก็พี่น้องที่รักยิ่งครับในสโลฟัสเนี่ยภายหลังจากที่พ่อ ร, ร็สุภานตราพวกนั้นได้สาบานกับสิ่งต่างๆที่เป็นอุทาหรณ์ที่เป็นข้อคิดให้กับบรรดาผู้ศรัทธาและวพว่อราอกก็ได้พูดถึงบรรดากลุ่มชนต่างๆที่พ่อร็เลือกให้ความปวดปานแก่พวกเป็นพิเศษเราก็จะพบว่าจุดเหมือนของคนกลุ่มนั้นคืออะไรครับเมื่อเขาได้รับมากมาย เมื่อเขามีความมั่งคัง่งเขาก็ฝากฝนซึ่งคุณลักษณะของพวกเขานั้นจะมีคล้ายกันครับวอตากูดูนั่ตัวรออักละเล่มมาพวกเจ้านั้นต่างพากันบริโภคทรัพย์มรดกด้วยกับการบริโภคแบบด่วนเร็วจีวัตถุให้ปูนบบ้นันมาและฮุกบัญจะมาแล้วพวกเจ้านั้นก็มีความรักใคร่ปฏิพันธ์กับทรัพย์สินด้วยกับความรักที่หมดใจ วอลส์สบาร์าใช้คําที่งดงามแล้วมันก็เป็นคําที่ชัดเจนรับอย่างหมดใจบางคนบอกอาจารย์ฉันไม่ได้รักทรัพย์สินแต่ฉันขาดทรัพย์สินไม่ได้นั่นแหละคือความรับหมดใจความรักคือการที่เราทุ่มเทให้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดแบบเต็มที่สังเกตไหมครับเวลาเรารักใครสักคนหรือเรารักที่จะทําอะไรสักอย่างรักจริงๆนะเราจะทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นอย่างที่เรามู้จักเน็ตรู้จักไหน แล้วมันต่างอะไรกับสภาพคนในปัจจุบันแล้วตื่นมาตั้งแต่เช้าบางท่านตั้งแต่ก่อนซูโบบางท่านก็อาจจะลุกมาละหมาดซูโบก่อนบางท่านอาจจะได้ละหมาดซูโบแต่ที่คล้ายกันก็คือตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทํางานทํางาน ง, านงานบางทีก็หนึ่งในสามของวันบางทีหนึ่งในสองของวันบางคนก็คือยี่สิบชั่วโมงถามว่าทําทําไมครับทรัพย์สิสนอยากได้ทรัพย์สินอยากได้เงิน เพราะมันต้องมีเงินเพื่อมันจะอยู่ได้จากความคิดที่ว่าต้องมีเงินถึงจะอยู่ได้กับกลายเป็นความรักความผูกพันจนกระทั่งทรัพย์สินนั้นคือทั้งหมดต่อให้ผู้นั้นมาละครบบันจมาที่พรสุวรรณตราได้กล่าวไว้ครับเช่นเดียวกับตารคูรูและตัว ร, รัสตะอัลลัลมาพวกเจ้าพากันบริโภคมาดกด้วยกับการบริโภคโ แ, บบแบบรวดเร็วมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งครับพี่น้องในเรื่องของทรัพย์สินถ้าเปิดเรามองเนะี่ยเราจะพบว่าหลายครั้งเนะี่ยเราต้องใช้ระยะเวลา ย, ยาวนาน อย่างบางคนกว่าจะได้บ้านสักหลังอลัลฮัรดีแล้วเอาล้อยเขามีบ้านก็ทุ่มเททำงานสิปียี่สิปีกว่าจะมีเงินในธนาคารเป็นจำนวนเท่าที่มีอยู่เนี่ยบางทีต้องใช้เวลาแทบจะตลอดชีวิตและนี่คือสัจธรรมของมรดกมรดกคือทรัพย์สินที่เป็นสิ่งที่หลงเหลือของผู้ตายซึ่งบางครั้งเนี่ยมันคือบทสรุปของชีวิตทั้งชีวิตของผู้ตายบางคนตลอดชีวิตเลยทุ่มเทมาเพื่อให้ได้บ้าน หลังนั้นที่พอเ้าตายไปผู้แ ก, กยเป็นมรดกเลือนใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินก้อนอาจจะเป็นหลักล้านสิบล้านมากกว่านั้นหรือว่าน้อยกว่านั้นแต่ถึงเวลาเวลาทายาทได้มรดกเป็นยังไงครับเอาไปใช้อย่างรวดเร็วไม่เห็นคุณค่าเนะ่ยฉันต้องจําเป็นต้องใช้ ง, งั้นพอดีเลยฉันต้องใช้อย่างนี้พอดีเลยบางที่ที่ ผู้ให้มรดกเราอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นใครก็ตามเขาสะสมมาเป็นแรมปีเป็นตลอดชีวิตเราอาจจะใช้เวลาหมดไปในช่วงระยะเวลาสั้นๆบางทีอาจจะเพียงแค่พลิบตาเดียวหรือบางทีอาจจะแค่วันเดียวครับตะครุเนตุรอซะอักลันลามาคือเสียเร็วมากๆเลยซึ่งความรักความผูกพันของเราที่มีต่อทรัพย์สินนะ่ะมันมีมากหมายมหาศาล พี่น้องที่รักภาษาหลับเป็นภาษาที่งดงามคําแต่ละคํานั้นจะมีที่มาของความหมายคําว่าทรัพย์สินในภาษาหลับใช้คําว่ามาลุ่นมาลุ่นถ้าแปลตรงตัวแปลงล่ายๆเราแปลว่าทรัพย์สินแต่ม้าลุ่นจริงๆแล้วแปลว่าสิ่งที่ใจะมันเอ็นเอียงไปหาใจเอ็นเอียงไปหายกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องสมมติผมถือทรายมากองหนึ่งมีใครอยากจะมาได้มันมไหมครับไม่อยากได้เราเรียกมันไม่ใช่ม้าลุ่น มันไม่ใช่สิ่งที่หัวใจของเราในะเอนเอียงอยากจะครอบของมันแต่ถ้าเกิดลองเปลี่ยนสมมุติว่าผมสามารถถือมาเป็นทองคำหนึ่งกำมือใจใครก็เอียงมาหาทางมือผมละอยากได้อยากมาพูดดีด้วยมาให้เกียรติมายกย่องเพราะอะไรครับเพราะใจที่รักสจินเพราะนั้นภาษาหลับสุภาณอระมาลุนจึงหมายถึงอะไรก็าตามที่หัวใจนะ่ะมันเอนเอียงไปหา เพรนั้นใครก็ตามที่มีมา้าลุนหัวใจของผู้อื่นก็จะมาหาเขาใครก็ตามที่ไม่มีมา้าลุนไม่มีทรัพย์สินหัวใจของผู้คนก็จะหนีตเตลิดไปจากเขาซึ่งพี่น้องเช่นเดียวกันกับทองคำครับทองคำยิ่งชัดเจนทองคำมาจากคำว่า zahaba zahaba ที่แปลว่าไปทองคำคือสิ่งที่มันไม่ได้เป้าหมายของมันไม่ได้อยู่กับที่แต่ เ, เป็นเป้าหมายคือมันจะไปอยู่กับใครก็ตามมันก็พร้อมที่จะไปต่อ คือมันพร้อมจะไปอยู่กับใครก็ได้ต่อให้ตอนเนี้ยมันอยู่ในมือเราทองคำที่อยู่ในมือเราถึงเวลาปุ๊บอต้องเอาไปจำนองอจำนำจำนองคือเวลาต้องเอาไปขายถึงเวลาไปยกให้คนนั้นถึงเวลายกให้คนนี้มันเป็นทรัพย์สินที่เปลี่ยนมือไปเรื่อยๆแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ, ๆมันไปเข้ามาเรื่อยๆครับมันไม่ได้มาเพื่อที่จะอยู่กับเราแต่มันมาเพื่อที่มันจะไปจากเราเช่นเดียว ก, กันครับกับทรัพย์สินเช่นเดียวกันกับ ผู้หญิงเช่นเดียว ก, ก, กันกับลูกหลานเช่นเดียวกันกับเลือกสวนไรนาเกี่ยวกับปสัสสาวะเกี่ยวกับอะไรก็ตามอะไรก็ตามที่ใจเราเอียงแล้วอยู่กับมันได้ทุ่มเทให้กับมันได้ทั้งหมดเรียกว่ามาลินซึ่งท่านอับดุลเลาะห์ของอะไรวะสลัมก็ได้ย้ำเตือนเราไว้แลในอัลกุรอานครับพวกเราก็ได้บอกให้เรารู้ว่า เป็นธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละที่เราถูกสร้างมาแล้วใจเราจะผูกพันกับทรัพย์สินพระลักกล่าวรวบรวมทรัพย์สินทั้งหมดไว้ในอัลกุรอานพระลักษกล่าวนี้ว่าไงครับซูยิลินาซูบูชาวะตมินานีเซมันถูกทำไม่ถูกทําให้เป็นสิ่งที่งดงามที่มนุษย์รู้สึกดีกับมันพระละกักษมณ์กำลังบอกให้เรารู้ถึงธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาที่ใจเรานั้นผูกพันกับสิ่งต่างๆ ต, ต่อไปนี้พระลักลมณ์ว่าวไงครับซูยิลินาซูบูชาวะติมินานีเซจากผู้หญิง ผู้หญิงก็เป็นอะไรที่เราหัวใจผูกพันเลยเพราะผู้ชายหัวใจเอ็เดียไปเียงช่นเดียวกันกับลูกหลานครับใจเราก็เอนียก็ผูกพันกับลูกหลานเช่นเดียวกับทรัพย์สินมหาศาลยิ่งเยอะในใจยิ่งผูกพันต่อให้มันไม่ใช่ของเราเราก็จะพี่น้องพี่เทากับใครก็ตามที่มีมันเช่นเดียวกับเลือดสวนเลนะ่าเช่นเดียวกับปัุสัตที่เลี้ยง เช่นเดียวกับบรรดาพหนะที่พวรสุภาตรากะไว้ทั้งหมดพวรสบอกไว้ครับเาริกรรมตาอุญหายาติดดุนยาทั้งหมดที่ว่ามามันคือทรัพย์สินของดุนยาแล ะ, นะ้ที่พวรนั้นคือการกลับไปที่มีแต่สิ่งที่ดีงามรออยู่ทีนี้ถามว่าทรัพย์สินเนี่ยเมื่อพูดมาอย่างเงี้ยบางท่านก็บอกเนี่ยฟังอาจารย์พูดหลายๆท่านก็บอกสกลทรัพย์สินไม่ดีใช่ไหมเราเป็นคนจนดีกว่าใช่ไหมพี่น้อง ซัส์สินผูล้ล้อซุบฮะอตาร่าไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีไม่ไดอกไม่ได้บอกมันชั่วร้ายทั้งหมดนะพี่น้องเพราะในสิ่งที่งดงามของดินยาเนี่ยท่านอบีก็บอกว่าเป็นสิ่งที่งดงามสําหรับท่านด้วยเหมือนกับที่ท่านอบีบอกว่าไงครับสิ่งที่เป็นที่รักสําหรับฉันคือผู้หญิงสิ่งที่เป็นที่รักนะที่นบีุคือท่านคือผู้หญิงเช่นเดียวกับเครื่องหอมแล้วฉันเนี่ยจะมีความสงบ ฉันแก้วตาดวงใจของฉันคือการที่ฉันนั้นได้ละมาศเวลาใครสักคนที่บอกว่าชอบผู้หญิงเนะี่ยพี่น้องตามธรรมชาติเรามาจะคิดแง่ลบไปก่อนชอบผู้หญิงอ่าอันนี้มันพวกเป็นบ้าผู้หญิงอาจจะเป็นพวกโลกจิตหรือเปล่าหรือว่าพวกนี้หมกมุ่นในเรื่องการอารมณ์ในเรื่องเพศเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่จาเป็นพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าดุนยาเนี่ยมีสองสถานะนะ การที่เราได้ครอบครองดุลยาเนี่ยเราสามารถครอบครองได้สองแบบเราครอบครองดุลยาให้เป็นอีบาดนะครอบครองให้อัลลอฮ์รักกับครอบครองให้อัลลอฮ์เกียร์นี่คือสัตริยธรรมของดุลยาไม่ใช่พอพูดดุลยาปุ๊บทุกอย่างเลวหมดไม่ดีหมดฉันต้องตัดมดทุกอย่างฉันต้องไม่สนผู้หญิงฉันต้องไม่สนทรัพย์สินฉันต้องบริจาคให้หมดไม่ใช่พี่น้องเพราะสิ่งทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเหตุที่ทําให้อัลลอฮ์รักเราได้ด้วย มันเป็นอีบาร์ด้ด้วยถ้าดุนยามันอยู่ในหัวใจมันอยู่กับคนที่หัวใจของเขาสงบนั่นแหละคืออีบาราถ้าดุนยามันอยู่กับคนที่หัวใจของเขาหมกมุ่นสกปรกนั่นแหละคือความหายนะแล้ว อ, อีกความหมายหนึ่งครับถ้าเราให้ดุนยามันอยู่ในมือเราเราคือผู้ครอบครองดุนยา แต่เมื่อไรก็ตามที่เราให้ดุลยามาอยู่ในใจเราเมื่อนั้นแหละดุลยามันได้ครอบของเราแล้วเพราะนั้นเช่นเดียวกันกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลาบอกว่าท่านรักผู้หญิงเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่บุคลาสร่างมาอย่างสวยงามแล้วท่านนบีเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดสลาฮุลลาลิซามแต่งงานท่านนบีก็รับผิดชอบในเรื่องอามานะอย่างเต็มที่และนั่นยิ่งเป็นผลบุญให้กับท่านพี่น้องครับเวลาที่ใครสักคนมีอามานะแล้วเขาทําอามานะของเขาให้ดีเอาล้อรักเขา เพื่อนๆพวเราไม่ได้บอกว่าผู้หญิง เ, เป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกขาบอกว่าเป็นฟิตรนาเป็นปัญหาได้ถ้าเราเอามาไว้ในใจไม่ได้เอามาไว้นิ่งการเอาไว้ในมือคือการเลือกใช้ตามที่อัลลอฮฺบอกตามที่ทัานุลลัสรสารทาเป็นแบบอย่างแต่ถ้าเมื่อไหรก็ตามที่มันอยู่ในใจเมื่อนั้นทุกอย่างในอาคเรอเราจะเสียหายหมดเลยเพราะอะไรผมถึงบอกว่าหัวใจที่สงบเป็นตัวแปรสําคัญในการครอบครองดุลยา พวกเราเก่าในกุ่านว่าไงครับเยามาลายังฟูมาลุนวลาบานูนในวันนั้นพวกเราพูดถึงวันเกี่ยมะวันนั้นเป็นวันที่ทรัพย์สินกับลูกหลานไม่ยังประโยชน์อะไรเด็ดขาดอิลลามัลลอฮาบิเบกลบินซัลีมินนอกจากผู้ที่ไปหาพวกเราสุภาร ห, หัวตาในสภาพของหัวใจที่สงบแต่ว่าถ้าคนที่หัวใจสงบทรัพย์สินกับ ลูกหลานยังประโยชน์ไม่ยังประโยชน์แต่ทรัพย์สินกับลูกหลานจะยังไม่ยังประโยชน์ถ้าหัวใจของเขาไม่สงบไม่ใช่หัวใจของผู้ที่ศรัทธาเพราะนั้นตัวแปลไม่ใช่อยู่ที่ว่าถ้ามีทรัพย์สินทําให้ฉันใจใจไม่สงบฉันต้องทิ้งทรัพย์สินไม่ใช่หรือพอมีผู้หญิงปุ๊บทาให้ฉันใจไม่สงบฉันจะทิ้งผู้หญิงเหมือนกับที่ซอบ้าช่วงแรกๆบางท่านเข้าใจผิดที่บอกว่าโอเคฉันจะไม่แต่งงานกับผู้หญิงเพราะถ้าแต่งงานกับผู้หญิงจะเป็นตัวกั้นไม่ให้ฉันทําอามันอิบาระต่อร้อยได้ก็เลยตัดไปไม่ยอมแต่งงานบอกว่่่าาจะไมแตงน จะไม่ยุ่งกับผู้หญินเดี๋ยวคนก็บอกฉันจะไม่กินอาหารเลยเพราะการกินอาหารมัวจะมากินเดี๋ยวก็สนใจว่าจะกินอะไรเดี๋ยวก็กินทิ้งเดี๋ยวกิกนขว้างเดอ๋ฉันไม่ฉันถือสิลดหมดตลอดชีวิตซะเดยดีกว่าไม่ต้องมายุ่งกับอาหารมากกินเท่าที่จําเป็นอีกคนก็บอกในการ น, นอนเนี่ยโอ้โหหมดเวลาไปกี่ชั่วโมงเดี๋แปดชั่วโมงสิบชั่วโมงมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นยิ่งนอนน้อยยิ่งดีงั้นไม่ต้องนอนเลยดีกว่าละหมาดตะฮัดยุตอย่างเดียวทําอามันอิบาร์ได้อย่างเดียวท่านบีมมัอับดุลเบครับ ฉันไม่ใช่ผู้ที่ยำเกรงมากที่สุดในหมู่พวกท่านแล้วฉันรักเอาล้อ ม, มากที่สุดในหมู่พวกท่านแต่ว่าฉันละหมาดแล้วฉันก็มีพักผ่อนฉันถือสินดแล้วก็มีช่วงที่ฉันไม่ถือแล้วฉันก็แต่งงานใครออกห่างจากแบบอย่างของฉันเขาไม่ใช่พวกของฉันรัธนาบีมสุสลาสัมพูดให้เรารู้ครับเตือนให้พวกเราทุกคนรู้ว่าดุนยาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ความชั่วร้ายนะ แต่ดุลยาจะนํามาซึ่งหายนะหากมันอยู่ผิดที่หากมันอยู่ในหัวใจมันเต็มในหัวใจเมื่อ น, นั้นแหละมีแต่ความหายนะหากมันอยู่ในมือได้เมื่อ น, นั้นแหละเราจะมีแต่ความสาเร็จเหมือนท่านอับดุลโมสลัยซ์ลามครับท่านเป็นคนที่ร่ํารวยท่านร่ำรวยมาก่อนร่ารวยเรนนี่คือมีทรัพย์สินแต่ยิ่งเมื่อท่านได้รับทางนําจากอัลลอฮ์ท่านยิ่งรวยมากยิ่งขึ้นไปคือรวยโดยที่ทรัพย์สินไม่ใช่เป็นตัวเหนียวหลังอะไรท่านเลย เวลา่านบริจากท่านให้แบบท่านมีกลัวจนเนี่ยพี่น้องอันนี้แหละคือคนที่ร่ํารวยที่สุดคือเขาไม่มีคําว่ากลัวจนอีกเลยคนเราอะครับยิ่งกลัวจนเท่าไหร่ปแปลว่าคนนั้นยากจนมากต่อให้จะมีทรัพย์สินเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านถ้าเรายิ่งกลัวนะกลัวว่าถ้าให้แล้วตังค์มันจะหมดบริจาค้วตังค์จะหมดจะเก็บไว้เนี่ยฉันจะเก็บไปเที่ยวดีกว่าถึงเวลาเที่ยวหมดได้เป็นแสนหมดได้เป็นล้านแต่ถึงเวลาจะช่วยเหลือผู้อื่นเนะี่ยควานหาเป็นเหรียญเป็นแบงก์ที่เล็กที่สุดที่มีเป็นไปได้ แล้วก็ขอดูอาจะรอให้ได้เยอะๆอีกประเภทนี้คือทรัพย์สินไม่ยังประโยชน์แล้วมันจะไม่มีบารักาด้วยสําหรับคนที่ทรัพย์สินของเขาไม่มีบารักาถึงเวลาเวลาหมดมันหมดเร็วเลยพี่น้องมันไม่รู้ตัวด้วยแล้วบางทีอยู่ในสภาพที่งงว่ามันหายไปได้ไงบางครั้งอยู่ในสภาพที่ลําบากอีกต่างหากบอกกันล้อฉันจะไปยังไงต่อเพิ่งจะมาคิดถึงกันล้อเพราะนั้นพี่น้องที่รัก เช่นเดียวกันกับหัวใจมนุษย์ใครก็ตามที่รักดุลยามากๆเขาจะผูกพันกับทรัพย์สินแล้วเขาจะผูกพันกับคนที่มีทรัพย์สินดูทั่วไปครับเวลามีคนร่ํารวยเข้ามาที่ไหนก็ตามคนที่มั่งคัง่งคนพร้อมจะไปพี่นอพี่เท้าจะไปยกย่องต่อให้เขาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยต่อให้คนรวยนั้นไม่เคยช่วยเหลืออะไรเขาเลยแต่ยกย่องโดยอัตโนมัติเพราะยกย่องทรัพย์สินที่เขามีแต่พอลองเป็นคนจนไปไงครับไม่สน หมาดูดำหมาดูดีเข้ามาเอางอ่ายหอเ่าเพราะอะไรไม่มีทรัพย์สินเพราะหัวใจผูกพันกับการมีถ้ามีทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่มีทรัพย์สินมันคือความชั่วนี่คือความคิดเป็นความคิดของคนจํานวนไม่น้อยท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมกล่าวว่าไงครับถ้าเปรียบเทียบดุนยากับอาเครอเนี่ยทั้งหมดในดุนยาก็เหมือนกับการที่คุณเอามือ ใส่ไปจุ่มลงไปในทะเลแล้วคุณยกมือขึ้นมาท่านอบีบอกว่านั่นแหละคืออะไรก็ตามที่คือว่ามันเป็นทั้งหมดของชีวิตคุณทรัพย์สิบสนบ้านรถสวนปศุสัสตว์วัวแพะแกะต้นไม้อะไรก็ตามถ้าเราเชื่อมันคือทั้งหมดท่านอับดุลเบี๋ยมูฮัมหมัดสลาลัมบอกว่าถ้าเปรียบเทียบเนะี่ยมันก็เหมือนกับการที่คุณเอามือคุณจุ่มลงไปในทะเลแค่นั้นจริงๆเลย เมื่อเอามือจุ่มในทะเลเมื่อคุณเอามือออกมามีอะไรติดมือคุณมาบ้างสิ่งที่ติดมาพร้อมที่จะแห้งนี่คือศัจธรรมของดุนยาเช่นเดียวกันครับท่านนับีมมัสลลัฮุลสลัมก็ได้บอกไว้ครับว่าจงร้ไว้ขอมาครับเดี๋ยวผมขอพูดคำพูดอีกประโยคนึงกันมีคำพูดที่เขาบอกว่าฟะมันอฮับบะกะลิชัยอินการิฮะกะหรือกาวกะ นิสัยนีีใครก็ตามรักเราเพราะอะไรเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีสิ่งนั้นเขาก็จะไม่รักเราอันนี้คือศัตริยธรรมนะพี่น้องหรือพูดง่าคือหากเราพยายามจะให้ได้ใครมาโดยใช้สิ่งใดเมื่อเราไม่มีสิ่งนั้นคนนั้นก็จะไปด้วยหากคนมายกย่องเรานั้ น, น้าถือตาเราเพราะเรามีทรัพย์สินเมื่อไหรก็ตามที่เราไม่มีทรัพย์สินเขาก็จะทิ้งเราหรือถ้าเกิดบางทีผู้หญิงที่เลือกใช้วิธีผิดบางทีหลงผู้ชายอยากได้ผู้ชายคนนั้นมา เอาเรือนร่างไปเสนอให้กับผู้ชายแล้วผู้ชายรับถึงเวลาถ้าเลือนล่างนั้นมันเกิดความน่าเบื่อผู้ชายคนนั้นก็พร้อมที่จะทิ้งางานไปเพราะฉะนั้นระวังให้ดีครับคุณใช้อะไรเพื่อที่จะให้ได้มาให้ใครให้ได้ใครมาเมื่อคุณไม่มีสิ่งนั้นคุณก็จะเสียเขาไปด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของทรัพย์สินที่พระลอสสุภายตรายเต๋ไม่ได้กุลาครับ yalamu a n a m a l h a y a t i อ a n a m a l h a y ต t u um ุ u n j a l a i buwalahu wazina tuwtafaqulum baynakum วะาตักสะสมในอายลอัวลวลอวยวะที่เหมือนกะบใครสกคนที่เะมือนกับใคกนอาตู้ฟรารับปะาเซุ่ม้าทีฟ้ตาราหูมุสฟรรรสรราร์ร์นสราฮิดเพราะเบกว่าจงรู้ไว้เพราะเขาบอกให้เรารู้เพราะตืนสติครับเตือนสติผมเตืนสติพี่น้องที่รักทุกท่านบอกว่าจงรู้ไว้นะว่าชีวิตในดุนยาทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณอยู่แล้วคุณจบแค่ดุนยาเนี่ยนะจงรู้ไว้เลยนะว่าชีวิตในดุนยาเนี่ย มันมีแต่อะไรครับการลเล่นเล่นเวลาเป็นเด็กครับอยากเล่นอย่างเดียวโตมาผู้ใหญ่ก็อยากเล่นอยากจะสนุกอยากจะผ่อนคลายชีวิตในดุนยามันมีเพียงการลเล่นวยละวุ่นหรือสิ่งที่ไร้สาระทำอะไรไปครับมีแต่สิ่งที่ไร้สาระไปฟังเพลงไปดูหนังไปทำอะไรก็ตามวอเตอร์เฟลคุรุณใบนะกลุมแล้วก็การอวดกันและกันเกทับกันและกันระบกดุนยาสรุปแค่นี้แหละ การเล่นสิ่งที่ได้สาระมีแต่ความงดงามที่หลอกลวงมีแต่การโอ้อวดเบ่งทับกันไปเบ่งทับกันมาแล้วก็มีแต่การสะสมทรัพย์สินลูกหลังยิ่งเยอะยิ่งดีจะได้ไปอวดคนอื่นซึ่งพระเล่าบอกว่าก็เหมือนกับฝนที่มันประทับใจผู้ไปเสดสก า, กากาเฟเรเวลาเห็นฝนอาฝนลงมาเวลาแห้งแงล้งฝนลงมาโอ้ดีจังเลยจะได้มีต้นไม้เห็นฝนแล้วประทับใจ เพราะบอกก็เหมือนกับฝนที่มันสร้างความประทับใจให้กับผู้ไปเสสัทธาที่ทำให้ต้นไม้ของเขาเน้นสวยงามแล้วผลสุดท้ายมันก็แห้งกรังเป็นสีเหลืองไม่ใช่เหรอคือถ้าอยู่ดุนยาแล้วจบแค่ดุนยามันก็จบแค่นั้นมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยซึ่งท่านนบีมสสุสลิมกล่าวว่างครับและแต่ตรดูอดได้อะแตตบูฟิดดุนยาพวกเจ้าจงอย่าได้ ลุ่มห erm. ลงกับเลือกส่วนไล่นาหรือว่าอสังหาริมทรัพย์จงอย่าได้ลุ่มหลงกับเลือกส่วนไล่นาหรืออสังหาริมทรัพย์จนกระทั่งมันเป็นทุกอย่างในดุนยาของเจ้าจนกระทั่งมันเป็นทุกอย่างในดุนยาของเจ้าก็คือพอทุ่มกับมันปุ๊บไม่มีเวลาทําอิบาแล้วอ่านกุรานไม่มีเวลาอัสการไม่มีเวลาละหมาดไม่มีเวลาจะถือสินบนก็ไม่ไหว ทำความดีไม่มีเวลาทำฮัทําอุ้มร้อนทาไม่ได้สักอย่างเพราะติดกับลึกสูดได้นาหรือทรัพย์สินต่างๆที่มีที่ว่ามันต้องดูมีความสุกเอาวันนี้มาดีโ น, โนเวตมาแต่ ง, งอย่างนั้นมาทําอย่างนี้เ อ, อาทําอย่างนี้ปุ๊บโออยากทําอย่างนี้พอถึงเวลาปุ๊บละหมาปุ๊บนหัวก็มีแต่เรื่องของตึกที่ตัวเองกําลังทําอยู่หรือละหมาปุ๊บก็มีแต่เรื่องสวนที่ตัวเองจะทําอยู่ท่านอับดุลเบี๊ยมอัลมัสลองโล่ห์อะไสักอย่าได้เตือนไว้อย่าให้ดุนยามาอยู่ในหัวใจ ต้องพยายามทําให้หัวใจเราสงบแล้วเมื่อ น, นั้นหัวใจเราจะเป็นหัวใจที่ครอบคลองดุลยาต่อให้เรามีทรัพย์สินน้อยแค่ไหนก็ตามเราก็สามารถครอบคลุมดุลยาได้ย้องจําได้ไหมท่านระบีมสัสลรสสมบอกไว้ว่าคนที่ครอบคลุมดุลยาเนี่ยคนที่จะครอบคลองดุลยาเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากขอแค่มีอาหารกินในวันนั้นขอให้ขึ้นต่อให้ตื่นขึ้นมาปุ๊บมีสุขภาพภารไมยที่ดีขอให้ตื่นขึ้นม า, ม า, า, า, มนนมาแล้วความเป็นอยู่ปลอดภัยระเบีบอกแค่นั่นแหละคือครอบคลองดุลยยาได้แล้วจะไปอยากมีอยากได้อะไรอีก ไม่จำเป็นแค่นี้ก็คือข้อพองดุญญนยาแล้วที่เหลือถ้าได้เป็นโบนัสในที่นี้ครับผมบอกแล้วว่าอิสลามนาเน้นในเรื่องของความสมดุลแล้วก็บอก ว, ว่าดุนยาเนี่ยไม่ใช่มีแต่ความชั่วหลายดุนยาเป็นเหตุแห่งความดีงามทั้งหมดของผู้ศรัทธาด้วยเพราะอะไรครับฮะริสเป็นจํานวนมากมฮาฮะริสเป็นหนุนท่านอับดุลมัสลิมบอมาบินมุสลิมยักนุสุกร์ซันอวยะซ ร, ร า, ารอัลซารัน เพรยากลุมอินทรีบรุนเอาไต้รรุนเอาอินทรนันอิละแกนอุษสา ร, รากมีความดีเป็นจำนวนไม่น้อยที่ต้องมีทรัพย์สินเราถึงจะได้มันมาเช่นนั่นแหลท่านอบดบอกว่าไงครับไม่มีมุสลิมคนใดที่เขาปลูกพืชพันธุ์หรือเพาะปลูกสิ่งใดและมีสัตว์มากินมีนกมากินมีมนุษย์มากินนอกจากมันจะเป็นผลบุญสารกให้กับเขาปลูกไว้บางทีก็ปล่อยให้มีนกให้มีอะไรมากินบ้าง ให้มีมแมลงให้มีอะไรมากินบ้างแล้วก็ป้องกันในส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็เหนียดว่าเป็นการสรกรถ้าคนผ่านไปผ่านมาสวนเรามันมันมีกิ่งที่มันโน้มไปทางเขาถ้าเขาเด็ด ก, กินก็ให้เขากินไปถือว่าเป็นสรกรเป็นผลบุญของโลกหน้าถ้าไม่มีสวนทํำสรกรรนี่ได้ไหมทําไม่ได้แต่ทําด้านอื่นได้ไหมทําด้านอื่นได้เพราะฉะนั้นความดีงามมันมีมากมายแต่ก็มีความดีงามส่วนหนึ่งซึ่งการมีทรัพย์สินการมีดุนยาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราได้ผลบุญตรงนั้น หมายความว่าไงครับหมายความว่าเราอย่าให้ดุนยามันมาทําให้เราหมกมุ่นไปกับดุนยาแล้วลืมอัยเครอแต่ไม่ใช่หมายความว่าอย่ายุ่งกับดุนยาเลยเพราะมีคนที่ไปถามท่นนบีมสุสลิมส์กล่าวว่าการสแสวงหาอะไรในดีที่สุดปัจจัยยังชีพที่ได้มาแบบไหนดีที่สุดเพราะ เ, าเราอยู่ดุนยาต้องกินถูกไหมครับอาหารการกินแบบไหนดีที่สุด ท่านอับดุลโมมัสรอสระบ๊ออาหารการกินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองนั่นแหละดีที่สุดเกษตรกรามส่งเสริมให้เราก็ต้องทํางานก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของดุลยาเช่นเดียวกับการค้าขายการค้าขายที่ไม่มีการหลอกลวงมีบาโรกะการค้าขายที่ไม่มีการโคดโกงในเรื่องของตาชั่างก็มีบาโรกะการค้าขายที่ไม่มีการกดขี่ข่มเหงก็มีบาโรกะมีบาโรกะก็แปลว่าได้ผลและบุญด้วย ได้ผลบุญในการทำธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นครับคำพูดที่บอกที่ท่านระบีบอกว่าจงมักน้อยในดุนยาแล้วเอาลอสะละเพราะลอสบาจะรักขั้นเนี่ยหมายถึงว่ามักน้อยในส่วนที่มันจะเป็นผลประโยชน์กับเราอย่างเดียวแต่ต้องทำอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยย้านะครับพี่น้องที่รักนะการมีทรัพย์สินเป็นทั้งบททดสอบเป็นทั้งความเมตตา ถ้าพี่น้องใช้มันอย่างถูกต้องนั่นคือความเมตตามหาศาลนั่นคือช่องทางที่จะได้ผลบุะมหาศาลเหมือนกับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสลายเหมือนกับท่านอบดุลบาศพี่น้องที่รักท่านอบับดุลโมฮัมหมัด บ, บอกว่าไงครับฉันไม่เคยได้ประโยชน์จากทรัพย์สินของใครมากเท่ากับที่ฉันได้แก่ทรัพย์สินของอบดุลบาอับดุลบั ก, บบกรวยครับและทรัพย์สินของเขาถ้าเขาบริจาคเยอะมากท่านอบีก็บอกว่ามุสลิมได้ประโยชน์จากทรัพย์สินของท่านอบดุลบาศเยอะทรัพย์สินจะนี้ได้ผลบุญโยชนไหมได้ผลบุญ มหาศาลไม่มหาสาลเช่นเดียวกับท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุลต่านอัลลอฮ์ครับที่เรารู้กันตัวอย่างเยอะแยะที่ท่านบริจาคบางทีคือท่านมีแบบแพะมีอะไรมีมาประมาณเล้าหนึ่งอ่ะมีคนอาลลับชนบดมาขอท่านมียกให้หมดเลยเช้าอาลลับฉนบทคนนั้นกลับไปหาเผ่าบอกว่าเข้ารับอิสลามเถิดเพราะมูฮัมหมัดให้แบบไม่กลัวจนไม่ใช่ว่ามีเยอะแล้วถึงจะให้ได้แต่มีเท่าไหร่ก็ให้ได้ให้แบบไม่กลัวจนพี่น้องเราเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปคิดดู ให้แบบไม่กลัวโจรมันเป็นแบบไหนศึกษาแบบอย่างของท่านอับดุลเบีบ๊ศึกษาแบบอย่างจากซอบะแล้วเราจะไปถึงมานิชาลล์ไปถึงด้วยแกนิชาลล์ครับผมซึ่งทรัพย์สินของท่านระบุบ้างในตัวบทที่ท่านอบดุลเบี๊ยชมในเยอะมากอีกตัวบทหนึงท่านนับีก็บอกว่าคนทุกคนที่ทําดีกับเราเราได้ตอบแทนเข้าไปหมดแล้วคือนิสัยของท่านอับดุลเบี๊ยมุสลิมนะครับถ้าใครทําดีกับท่านท่านจะไม่ลืมเลยแล้วท่านจะตอบแทนเขามากกว่าที่เขาทําให้กับท่าน ใครให้อาหารท่านท่านส่งคนรบับใช้ไปให้เลยหรือใครช่วยเหลืออะไรก็ตามท่านอาบีเไม่เคยเลืมความดีที่คนอื่นทำให้กับท่านแต่ท่านอาบับดุลเลมวัวมัสรอสลาบอกว่านอกจากทรัพย์สินจากอบูบักที่เราไม่สามารถตอบแทนให้เขาได้หมดนิด่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของคนที่มีดุนยาแล้วเขามีมันในมือของเขาไม่ใช่ในหัวใจของเขา อินชาอัลลอฮกุลเบชัตฟาอฺมามันอาตฺวัดตะกาวัสัดะกาบิลฮุสนาว่าเรากำลังคุยอะไรนะครับแน่นอนการดําเ น, นินของพวกเจ้าการดาเ น, นินชีวิตการมีชีวิตของพวกเจ้านมันหลากหลายกันบางคนเป็นชาวนาบางคนชาวไหลบางคนทําประมงบางคนเป็นหมอบางคนเป็นวิศวะบางคนเป็นครูสอนบางคนอาจจะทํางานที่หลากหลายอินชาอัลลอฮกุลเบชัตมีความเป็นอยู่ที่หลากหลายมีชีวิตที่หลากหลาย พวกเราบอกพวกเจ้ามันมีชีวิตที่หลากหลายแต่พวกเราแบ่งแค่2กลุ่มจันหลากหลายจะเยอะแค่ไหนก็ตามพวกเจ้าก็แบ่งได้แค่สองกลุ่มนั่นแหละปะอา ม, มามันอาตอวะตะกอผู้ใดก็ตามที่เขาเรียนรู้ที่จะยุดยืนให้หยุดยืดเรียนรู้ที่จะให้ผู้อื่นแล้วมีความตั ก, กว่าแล้วเขาก็มีการสละะ้างแล้วก็มีการช่วยเหลือแล้วเขาก็เชื่อในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงาม สันุยสิรูยุสรอเราก็จะให้เขาได้รับแต่ความง่ายไายใช้เป็นวามาบาคิละสตรนาว่กัตตาบิลุสนา菩萨นุยสิรูยุสรอส่วนใครที่เขาปฏิเสธความดีงามไม่อยอมใช้จ่ายในที่ควรจะใช้อัลลอฮบอกเราจะให้เขาไปเจอแต่ความยากลำบากไปแบบเจอแบบเดียยเด๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ยากเดี๋ยวก็ยากมีแต่ปัญหาชีวิต ท, ทั้งชีวิตมีแต่ปัญหาเพราะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องดุนยาเนี่ย เราเลือกได้แค่2 ส, สถานะนะให้มันรับใช้เราหรือให้เรารับใช้มันพี่น้องต้องเป็นคนเลือกเองพี่น้องจะรับใช้ดุนยาแล้วทิ้งไองเคระหรือพี่น้องจะให้ดุนยามารับใช้พี่น้องแล้วให้มันส่งผลให้อเครอของพี่น้องดีด้วยนั่นคือทางเลือกของพวกเราซึ่งท่านนาบีุโมฮัมมัดส ล, ลาฮลฮวซัได้พูดไว้ครับว่าถาอิสะอับดุลดนาร تعيسة عبد الدرهم، تعيسة عبد الخميس، ت ع ي س ا عبد الخميلة إن أ ؤ ت ي ر ض ي ا وإلا ي ؤ ت ى س ي ت ه تعيسة وان ت ك س ا و ذ ا شيء فلان ت ق ش س ه و ب ا ل ي عبدن أخذ ب إ ن ا ن فرسه في سبيل الله أشأ ذ رأسه مغبرة قدما إن كان ف ي في الهراسة كان في الهراسة وإن كان في الساقه كان في الساقه. อินสตะถาเราไมยุ่งเรื่องะอินชัฟะไม่ั้ฟาอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮอักบรอัลลอฮอักบารพี่น้องที่รักทินครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮอู่ัยลฮิวะซัลลัมท่านได้บอกเราไว้ท่านได้เตือนเราไว้แล้วท่านก็ได้ให้กำลังใจพวกเราทุกคนท่านนบีมุสลิมบอกไว้ไงครับ หาและแกอับดุล ด, ดีนนะคนที่กราบไหว้ทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าความงดงามแห่งดุนยาสิ่งที่น่าหลงใหลในดุนยาเขาพบกับความหายนะเรียบร้อยแล้วท่านอบีบอกได้ทราบพบความหายนะแน่นอนเขาอาจจะได้มันหรืออาจจะไม่ได้มันแต่สุดท้ายแล้วมันจะอยู่แค่ในใจของเขาแล้วมันก็จะจากเขาไปในสภาพที่เขาเป็นผู้ขาดทุนอินอุติยดียคนประเภทนี้นะครับ ถ้าได้น่ยก็มีความสุขถ้าไม่ได้ก็เกลียดพีด่น้องดูคนประเภทนี้ดูไม่ยากครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเป็นผลประโยชน์ให้กับเขาอยู่เขาจะยินแย้มกับเราได้อยู่แต่เมื่อไร่ที่เราหมดประโยชน์กับเขาหรือเราไม่ให้ประโยชน์เขาเมื่อนั้นเขาพร้อมจะเป็นศัตรูเราทันทีนี่คือคนที่กกาบไหว้ดุนยาเป็นผู้รับใช้ของดุนยาท่านรบีกล่าวครับนอกจากเขาจะพบกับความหายานะแล้วท่านรบีบอกว่า ถ้าหากว่าเรามีหนามทิ่มแทงเขานะ่ยไม่มีใครมาช่วยเอาเขาเออกไปจากเขาหรอกถ้าเขามีความหายหน้าอะไรก็มีแต่คนรอสัมถ์เติมตูบาลีอับดินท่านอับดุมฮัมหมัดพูดถึงพวกเราทุกคนตอนนี้พี่น้องพวกเราทุกคนเลยพี่น้องพวกเราคนที่ไม่เด่นดังเนี่แหละคนที่ไม่เป็นที่รู้จักคนที่เหมือนเป็นชาวบ้านธรมรมดาภาษาอัคฤดเรียกว่ามอบเนี่ยตัวประกอบเนี่ยบางทีเราอาจจะดูคนที่ เขาเด่นดังบางทีเราจะดูอาจารย์คนนั้นโอ้มีชื่อเสียงอาจารย์คนนี้เนะี่ยเขาทําความดีเยอะคนนี้ไปช่วยบริจาคคนนั้นสร้างสุราโอ้เขามีแต่ความดีงามมากมายฉันเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้จากฉันฉันจะทําอะไรมากกว่าทำไม่ได้มากฉันก็ทําได้แค่เล็กๆน้อยนโอ้น้าอิจฉาพวกเขาเหลือเกินพี่น้องไม่ต้องไปอิจฉาฮะดีสบทนี้บทเดียวพี่น้องไม่ต้องไปอิจฉาคนที่เขามีภาพลักษณ์ที่งดงามหรือสวยงามอีกเลย ไม่จําเป็นต้องไปฉาคนที่เขาเด่นดังอีกเลยคนเหล่านั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ถ้าเจตนาเขาบริสุทธิ์ผลบุญเขามาหาศาลแ น, น่นอนแต่สําหรับพวกเราทุกคนที่ว่าเรานั้นก็อยู่ระดับปกติเป็นชาวบ้านหาช้าปินข่ำํำวันๆก็หมดไปใช้ชีวิตปกติเราก็สามารถเป็นบ่าวที่น่าอิจฉาได้ไม่ยิ่งหย่อนไม่แพ้ไปกว่าใครผมพูดถึงพวกเราทุกคนทุกคนกจริงๆเลยอาจจะกําลัง ทำประมงอาจจะกาําลังทํานาอาจจะกาลังกีดยางอาจจะกาลังขายของอาจจะกาลังเลี้ยงดูลูกอาจจะอยู่กับบ้านไม่เคยมีใครรู้จักเราเลยท่านอับดุลโมฮัมหมัดสุสลลามบอกว่าตูบาตูบาเนี่ยครับบ้านก็บอกว่าเป็นชื่อในสูงสวรรค์บ้านก็บอกว่าเป็นชื่อต้นไม้ในสวนเป็นชื่อทาง น, นั้นในสมัสวรรค์แต่สรุปก็คือความดีงามอันุดงามเกินจินตนาการเนี่ยจะเป็นแก่บ่าวที่ตอนแรกท่านอบดมฮบอกบ่าวที่แอบไหว้เงินทองทรัพย์สินเนี่ยไม่ได้ครับความดีงามใช่ไหม นบีมาพูดต่อความดีงามจะเกิดแก่เบาวที่เขานั้นถือบังเหีงของแมในวิธีทางของล้อคือทุ่มเทพเพื่อล้อที่ผมเข้าผมเผ่าของเขาลกุลังที่เท้าของเขาเนี่ยแตกถามว่าน่าดูไ้มไม่ไมน่าดูเวลาเราจะดูถ้าเกิดเป็นกองทัพเนี่ยมีใครไปดูฝนฐานลาบมัง่งไม่ค่ยมีใครดูถ้าจะดูก็ดูแถวหน้า ดูที่มีดาวเยอะๆมีบ้างมีอะไรที่แบบเด่นๆแังๆธรรมชาติของมนุษย์เรเป็นแบบนั้นแต่ท่านอบีมอสราสลัมบอกว่าน่าอิจฉาคนประเภทนี้นี่เป็นคนที่ดีงามคนที่ดูผมเเพ้าลกลุงลังทีเช้าแตกแต่ที่มันเกิดขึ้นที่มันลกลุงลังเพราะเท้าแตกเพราะเขาทุ่มให้กับอัลลอฮ์นี่แหละคือคนที่น่าอิจฉท่านอาบีบอกนะครับคนลักษณะของคนประเภทเนี่ยถ้ามอบหมายเขาให้ทําหน้าที่เป็นคนเฝ้าเป็นยามไปรอปพอเขาก็ทําหน้าที่ของเขา ต่อให้เขาถูกมอบหมายให้ทําหน้าที่แจกน้ําเขาก็แจกน้ําคือคนประเภทนี้เป็นคนไม่ถือตัวพี่น้องถ้ามีอามานะมามีงานอะไรให้เขาทําเขาพร้อมที่จะทําโดยที่เขาไม่แครว่างานที่เขาทําเนี่ยจะมีใครรู้เขาเห็นเขาทํำไหมรู้จักเขาไหมคือเขาจะไม่แครว่าพอมีคนเด็ดคนดังปุ๊บเขาได้ไปยืนถ่ายรูปอยู่ข้างๆไหมเขาได้ไปอยู่ข้างน้ำเขาไม่แครเลยคนนี้ลกรู้วจากเขาไม่เป็นไรเขาอาจจะเสิร์ฟน้ําอยู่เบื้องหลัง อาจจะเป็นงานที่ใหญ่โตเขา อ, อาจจะเตรียมน้ําเสิร์ฟให้คนื่ได้ดืม่มเขา อ, อาจจะเตรียมอาหารให้คนได้กินเขา อ, อาจจะเป็นคนรอเก็บกวาดทั้งความสะอาดทีหลังเขา อ, อาจจะเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเลยแต่ธนบีบอกว่าความงดงาน ม, มันมีแค่คนประเภทนี้ความดีงามเกิดขึ้นกับคนประเภทนี้คนที่ไม่เป็นที่รู้จักเลยไม่ใช่แค่ไม่เป็นที่รู้จักนะธนบีมุสลิสซ์โมอินิสตะเซนอละหุมลำยุซนอละหุม เป็นคนประเภทที่ว่าถ้าสมมติเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนระดับล่างแล้ะพอถึงเวลาพวกเขาเดือดร้อนต้องไปขอเพื่อที่จะขอตัวไปทํำธุระข้างนอกเนี่ยบางทีเจ้านายไม่เห็นอนุญาตพอไปขอปุ๊บเออผมขอที่แป๊บหนึ่งได้ไหมเจ้านายบอกไม่ต้องทํางานไปอะไรเนี่ยอู้เนี่ยทำงานเนี่ยที่นี่ไม่คุ้มกับเงินเดือนที่ให้อาจจะเดนด่าสารพัดเทนบีบอกคนประเภทเนี่ยบุคคลที่อัลลอฮ์ทดสอบเขาเล่าๆก็รักเขา คือเขาไม่สนใจเป็นคนเด่นคนดังพอเขาไม่เป็นคนเด่นคนดังพอไปขอบางทีไม่ได้บางทีพอมีคนมาออก ห, หน้าให้หรือเขาไปออกหน้าแทนคนอื่นก็ไม่มีใครรับไม่มีใครสนใจบางทีเเราเห็นเพื่อนอีกคนเดือดร้อนเราเนี่ยก็เป็นคนต่ำต้อยในสังคมแล้วก็พาเขาไปหาคนใหญ่คนโตเนี่ยคนนี้เดือดร้อนเนี่ยช่วยเขาหน่อยได้ไหมครับคนใหญ่คนโตอาจจะดูเขาแล้วก็ดูหน้าเราเ อ, อพวกอีเป็นใครเสียเวลาชะ น, นด แต่พอเป็นคนใหญ่คนโตคนดังมีหน้ามีตาในสังคมมานี่พร้อมจะไปแทบจะพร้อมจะกาบเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าได้น้อยเนื้อต่ําใจอย่าได้รู้สึกสมเพศกับตัวเองอย่าได้รู้สึกสงสารตัวเองอย่าได้ดูถูกตัวเองต่อให้เราอยู่ในสถานะที่ต่ําต้อยแค่ไหนก็ตามในสายตาของมนุษย์หากพี่น้องทําอมานะของพี่น้องให้ดีที่สุดเราอยู่ในสถานะไหนเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด หากเราทําหน้าที่ในส่วนของเราให้ที่ดีที่สุดนั่นแหละครับคือบุคคลที่น่าอิจฉาที่สุดแล้วเพราะเราไม่ต้องไปห่วงในเรื่องของการอิจฉาริษยาซึ่งมันเป็นบาปใหญ่ซึ่งเราไม่รู้มันจะเข้าใครออกใครเพราะเราไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปแคร์หน้าสังคมเราทําส่วนของเราให้ดีที่สุดแม่บ้านทําส่วนของแม่บ้านให้ดีที่สุดบางทีแม่บ้านบอกพ่อบ้านฉันไปดังเหลือเกินไม่มีใครรู้จักฉันฉันทํางานบ้านอยู่งบถึงเวลาพ่อบ้านก็ไปนั่นไปนี่มีแต่คนเลื่อมใสไม่ต้องไปอิจฉาเรื่องอย่างนั้น บางทีแม่บ้านเนี่ยเป็นบุคคลที่น้าอิจฉามากกว่าพ่อบ้านที่ออกไปข้างนอกอีกเพอพ่อบ้านทะเนียดไม่ดีการงานเป็นศูนย์ส่วนแม่บ้านไม่ต้องไปเสี่ยงไม่เจตนาจะไม่ดีเราทําของเรายี่สุดทั้งหมดเป็นผลบุญการที่เราส่งเสริมพ่อบ้านผลบุญทั้งหมดเราก็จะได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพูดเอาจริงๆแม่บ้านกับพ่อบ้านใครน้าอิจฉามากกว่าแม่บ้านหน้าอิจฉาน้าอิจฉาเยอะกว่าเยอะหรือพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าน้อยใจในตัวตนที่เราเป็น อย่าได้เสียใจหากจะไม่มีใครรู้จักเราเพราะพวกลัทธิสุภารานั้นรู้จักเราดีกว่าใครไปนั้นในส่วนของเราครับทําอามานะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วบางทีเราอาจจะกลายเป็นเหมือนกับตาบีอินที่ประเสริฐ จ, จนถึงขั้นที่นบีต้องสั่งให้ซบาบะมาขอให้เขาขอดุอาจากอัลลอฮ์แทนให้ สอบที่ประเสริฐที่สุดก็เป็นเพียงนายกรในขอในงอที่ไม่มีใครรู้จักนี่คือตาบีินที่ประเสริฐที่สุดเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักถ้าท่านอบีไม่พูดถึงไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้เรื่องเลยเกินที่ว่าเป็นคนทั่วไปแต่นั่นเขากลับกลายเป็นคนที่ดีที่สุดได้เพราะผู้ที่ตัดสินคืออัลลอฮ์ไม่ใช่มนุษยชาติครับเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตยังไงพี่น้องก็ใช้ไปแต่ขอให้เป็นการใช้ที่เรามั่นใจว่าเราจะไม่อายเมื่อเราอยู่หน้าอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตาละ ต่อให้คนจะมองว่าเราตกต่อมองว่าเราต่ำต้อยมันไม่สำคัญหรอกครับถ้าหากว่าในสายตาของพว้ล้อแล้วพว้ล้อรักแล้วก็พอพระทายเจ้านั่นคือที่สุดแล้วที่เราต้องการครับผมครับบังอุ น, นะครับอาเดล่ามาบารก์กลาร์ฟีกุมอาจารย์คมิทบอกกบีชเจขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับคุณชัยยะสลามมานะครับจากกาบีดูอาให้สุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณมากๆครับแล้วก็วันคุณสลามตลลอบบารกาตุ้งหัวยากรขอบคุณที่มีสุขภาพ่แข็งแรงเช่นเดียวกันครับผมพี่วันี้สลามมาวัยคุ สลามาวันตุษสลามัตุลลอฮฺบาระการตุจากทึ้งครูครับคุณนัสาดะครับสุขภาพบองว่าจะดีขึ้นแล้วสลามาก็วันตรุสลามัตุลลอฮบระกาตุ้กับคุณยาริยะครับสลามาวันตุสลามัตุลลอฮบระกาตุกับน้องของพี <Wellington> ่อสลามาวันตุสลามัตุลลอฮบระกาตุเช่นเดียวกับคุณมหัสมะลมตาแอนะครับที่อัลฮมดุลลามาก็บาระกลอฟีกลุ่มครับนใลที่ผมไม่เห็นข้อความผมขอมาด้วยนะครับผมขอตอบสลามพี่น้องท แล้วก็ขอดูอาจากพวกลัทธิสุภานุวตาล์ครับให้เราเป็นเบาะที่พวกนั้นรับพอพระไทยเมตตาแล้วก็ให้อราเพยโทษไม่ว่าเราอยู่ในสถานะใดก็ตามเราอยู่ในแนวหน้าของสังคมเราจะเป็นบุคคลที่มีแต่คนรู้จักหรือเราจะอยู่แนวหลังของสังคมที่ไม่มีใครรู้จักไม่ว่าจะในสถานะใดก็ตามยาวล้อขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่รักษาอามานะของเราให้เราทําตามอามานะของเราได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ขอให้เรา สามารถไปยืนอยู่ต่อหน้าพว้ลสุภานุตาลในสภาพของบ่าวที่มีความภูมิใจที่เขานั้นได้กลับไปเจอผู้ลสุภานุตาลด้เสร็จครับอกูลเกาลีฮาแาวัสดุลู้หลาลีเละคุณบริาลทมุสลิมีนะมินคุณและวัสรูอินหวกัฟฟูร์ฮิมสุภานขอลท่ามายูฮัมดิค่ะอัชดุลลอฮลลลม์ัด์ุลุมอัลตุลลาหอัลบาลกาตุ